พระเจ้าวิเทหราชเมื่อไม่ทรงเห็นเครื่องยึดถือที่จะพึงทรงยึดถือทรงครั่นครามต่อมรณะภัยไม่สามารถจะตรัสอะไรอะไรกับพระมหาสัตว์ได้ทรงดำริว่าบางคราวแม้เสนกะก็รู้อุบายอะไรอะไรเราจะลองถามเขาก่อนเมื่อตรัสถามจึงตรัสคาถาว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้า ท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เสนกะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้บรรดาคำเหล่านั้นทำว่าสิ่งที่ควรทำอย่างไรกิงกิจจังความว่าท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้พวกเราถูกมโหสถสละแล้วถ้าท่านรู้ก็จงบอกแก่เรา อาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นคิดว่าพระราชาตรัสถามอุบายกับเรางามหรือไม่งามจงยกไว้เราจะกล่าวอุบายอย่างหนึ่งแด่พระองคิคดชะนี้แล้วกล่าวคาถาว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูหรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพลันอย่าทันให้พระราชาพรหมทัตฆ่าพวกเราให้ลำบากนาน บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าตั้งแต่ประตูทวารปรตวความว่าพวกเราจงปิดประตูก่อไฟที่ประตูนั่นคําว่ามีดวิกันตะนังความว่าจงจับสาตราห้ามหันกันและกันคําว่าละหิจสามะความว่าพวกเราจักละชีวิตพลัน ปราสาทที่ตกแต่งแล้วนั่นแลจักเป็นจิตตะกาานไม้ของพวกเราพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังดังนั้นก็เสียพระหรุไทยจินตรัสว่าท่านอาจารย์เสนกะจงทำจิตตะการาเห็นปานนั้นแกบุตรภรรยาของตนเถิดแล้วตรัถามปุกะกุสะเป็นต้นพวกนั้นก็กราบทูลด้วยถ้อยคำแสดงความเคาตามสมควรแก่ตน เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระราชาตรัสถามปุกกุสะว่าท่านจงฟังคํานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์ปุกกุสะท่านจะสําคัญสิ่งที่ควรทําอย่างไรในการนี้ปุกกุสะกราบทูลว่าพวกเราควรกินยาพิษตายและชีวิตเสียพลันอย่าทันให้พระราชาพรหมทัต ข้าพวกเราให้ลำบากนานพระราชาตรัสถามกามินทะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์กามินทะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้กามินทะกราบทูลว่าพวกเราเพิ่งเอาเชือกผูกให้ตายหรือโดดลงบ่อให้ตายเสีย อย่าทันให้พระราชาพรหมทัตข่าพวกเราให้ลำบากนานพระราชาตรัสถามเทวินทะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เทวินทะท่านจะสาคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้เทวินทะกราบทูลว่า พวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูหรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพลันถ้ามโหสดไม่สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยง่ายอนหนึ่งบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เทวินทะคิดว่าพระราชานี้ทรงทำอะไรมาตรัทามพวกเราในเมื่อไฟมีอยู่มาทรงเป่าหิ่งห้อยยกมโหสดบัณฑิตเสียแล้ว คนอื่นจะสามารถทำความสวัสดีแก่พวกเราในเวลานี้ย่อมไม่มีพระองค์ไม่ตรัสถามมโหสถมาตรัสถามพวกเราพวกเราจะรู้อะไรคิดชนี้แล้วเมื่อไม่เห็นอุบายอื่นจึงกล่าวคำที่เซนกะกล่าวแล้วนั่นเองเมื่อจะสรรเสริมมโหสถจึงกล่าวบททั้งสองว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าความประสงค์ในเรื่องนั้นเป็นดังนี้ พวกเราทั้งหมดจะวิงวอนมโหสถนั่นแหละก็ทว่าแม้เมื่อวิงวอนมโหสถก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยง่ายภายหลังพวกเราจะทำตามคำเสนกะพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของเทวินทะดังนั้นทรงระลึกถึงโทษที่พระองค์ได้ทำแก่พระโพธิสัตว์ในการก่อนก็ไม่ทรงสามารถจะตรัสกับมโหสถ ทรงคร่อมครวญจนมโหสถได้ยินถนัดตรัสว่าบุคคลสแสวงหาแก่นของต้นกล้วยย่อมไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์จากคนโง่ก็ย่อมไม่ประสบปัญหาคืออุบายพ้นทุกนั้นฉันนั้นบุคคลสแสวงหาแก่นแห่งไม้งิ้วย่อมหาไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ จากคนโง่ย่อมไม่ประสบปัญหาคืออุบายพ้นทุกนั้นฉันนั้นการอยู่ของช้างทั้งหลายในสถานที่ไม่มีน้าชื่อว่าอยู่ในที่มิใช่ประเทศเพราะว่าช้างเหล่านั้นอยู่ในสถานที่อันไม่มีน้ำชื่อว่ามิใช่ประเทศย่อมตกอยู่ในอํานาจของปัจจามิตรเร็วพลันฉันใด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 ใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นปรรดาคำเหล่านั้นคำว่าต้นกล้วยกัททลิโนความว่าบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นแม้แสวงหาอยู่ก็ไม่ได้แก่นจากต้นกล้วยนั้นเพราะต้นกล้วยไม่มีแก่นชันใดเราทั้งหลายแม้แสวงหาอุบายเครื่องพ้นทุกนี้ ถามบัณฑิตห้าคนก็ไม่ประสบปัญหานั้นคำว่าย่อมไม่ประสบนาชักะมามหาเสความว่าเราทั้งหลายไม่ประสบปัญหานั้นดุดบุคคลไม่ได้ฟังอุบายที่เราทั้งหลายถามแม้ในขคาถาที่สองก็ในนี้แหละคำว่าของช้างทั้งหลายในสถานที่ไม่มีน้ำกุญชรานังวนูทะเก ความว่าการอยู่ของช้างทั้งหลายในที่ไม่มีน้ำชื่อว่าอยู่ในที่มิใช่ประเทศเพราะว่าช้างเหล่านั้นเมื่ออยู่ในชัดป่าอันหาน้ามิได้เห็นปานนั้นชื่อว่ามิใช่ประเทศย่มตกอยู่ในอํานาจของปัจจามิตรเร็วพันฉันใดแม้การที่เราทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้ของมนุษย์ชั่วเป็นคนผานหาความรู้มิได ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่มิใช่ประเทศชั้นนั้นก็บรรดาบันดิตมีประมาณเท่านี้แม้คนหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราในบัดนี้ก็ไม่มีพระเจ้าวิเทหราชทรงบนเพอไปต่างๆด้วยประการชนิ้มโหสดบันดิตได้สะดับดังนั้นคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงลำบากเหลือเกิน ถ้าเราไม่ปลอบประโลมพระองค์ให้สบายพระหฤทยัยพระองค์จักมีพระหฤทัยแตกสิ้นพระชนม์ชีพจึงได้กราบทูลปลอบประโลมพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าแต่นั้นมโหสถผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเห็นประโยชน์เห็นพระเจ้าวิเทหราชถึงความทุกข์จึงได้กราบทูลคำนี้ว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าพระองค์จักเปลืองพระองค์ผู้ดุดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อันราหูจับแล้วหรือดุดช้างจมติดในเปลือกตมหรือดุดงูติดอยู่ในกระโปรงหรือดุดนกติดอยู่ในกรง หรือดุดเหล่าปลาอยู่ในคายผู้มีพลและพาหะคุมล้อมอยู่ให้พ้นจากความลำเค็นข้าพระองค์จากยังกองทัพปัญจาละให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินอธรมาตผู้มิได้เปลื้องพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในที่ขับขันให้พ้นจากทุกข์ชื่อว่าปัญญาของอธรมารนั้นจะมีประโยชน์อะไร หรืออเมทผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคำนี้อิทังความว่ามโหสดเมื่อเล้าลมพระเจ้าวิเทหราชให้สบายพระหฤทยัยประหนึ่งทำเมฆฝนให้ตกในป่าไฟไหม้ได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตกพระไทยกลัวเลย มาตวังพายิมหาราชะเป็นต้นคำว่าจมติดสันหนังในคาถานั้นได้แก่ติดอยู่คำว่าติดอยู่ในกระโปรงเปละพันธังได้แก่งูที่อยู่ภายในกระโปรงคำว่ากองทัพปัญจาละปัญจาลังได้แก่ กองทัพปัญจละซึ่งเป็นกองทัพของพระเจ้าปัญจลราชแม้ใหญ่อย่างนี้คำว่าจักให้หนีไปพาหะยิสามิได้แก่จักให้หนีไปคำว่าอาทูเป็นนิบาตในอัตว่าชื่อความว่าชื่อว่าปัญญาของอัมมาจะมีประโยชน์อะไรข้อว่า หรืออเมิดผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นอมัจโจ ว, วาปิตาธิโสความว่าหรืออเมิดผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเช่นนั้นเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาผู้เปลืองพระองค์ที่ถูกความตายเบียดเบียนอยู่อย่างนี้ให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์โปรดสำคัญว่า มโหสถนี้ชื่อว่ามากรมาเพื่อประโยชน์อะไรข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าพระองค์จักเปลื้องพระองค์ให้พ้นจากทุกนี้มโหสถบัณฑิตเล้าลมพระเจ้าวิเทหราชให้สบายพระหฤทัยด้วยประการชนนี้ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของมโหสถ ก็กลับได้ความเบาพระหฤทัยว่าบัดนี้เราได้ชีวิตแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์บรลลือศีหนาฏชนทั้งปวงเหล่านั้นก็พากันยินดีลำดับนั้นเซนกะถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านบัณฑิตท่านเมื่อพาพวกเราทั้งหมดไปจกไปได้ด้วยอุบายอย่างไรมโหสดแจ้งว่า ข้าพเจ้าจาักนำไปทางอุโมงค์ซึ่งตกแต่งไว้พวกท่านจงเตรียมไปเถิดเมื่อจะสั่งโยธาให้เปิดประตูอุโมงค์จึงกล่าวว่าแน่พ่อหนุ่มหนุ่มพวกเจ้าจงลุกมาจงเปิดประตูอุโมงค์ประตูห้องเครื่องยนต์พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าอามาตย์จักเสด็จไปโดยอุโมงค์บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าหนุ่มมานวะ เป็นชื่อเรียกคนหนุ่มคําว่าจงเปิดประตูมุขขังโสเททะความว่าจงเปิดประตูอุโมงค์คาว่าประตูห้องเครื่องยนต์สันทิโนความว่าจงเปิดประตูห้องติดต่อเครื่องยนต์คือจงเปิดประตูห้องนอนร้อยเอ็ดห้องจงเปิดประตูโคมดวงประทีปหลายร้อยโคม คนใช้ของมโหสถเหล่านั้นลุกไปเปิดประตูอุโมงค์อุโมงค์ทั้งสิ้นมีแสงสว่างทั่วไปสว่างสวัยประหนึ่งเทวสภาที่ได้ประดับแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพวกคนรับใช้ของมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของมโหสถแล้วจึงเปิดประตูอุโมงค์และเครื่องสลักห้ามอันประกอบด้วยยน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคนรับใช้อนุสาริโนได้แก่ผู้ทำการขวนขวายช่วยเหลือคำว่าและเครื่องสลักห้ามอันประกอบด้วยยนยันตายุตเตจะอักคะเลได้แก่บานประตูที่ถึงพร้อมด้วยลิ่มสลักพวกนั้นเปิดประตูอุโมงค์แล้วแจ้งให้มโหสดทราบ มโหสถก็กราบทูลนัดพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค้าขอเชิญเสด็จลงจากปราศาทพระราชาก็เสด็จลงเซนกะเปลื้องเครื่องพันศีษะแล้วผลัดผ้าหยักรังลำดับนั้นมโหสถเห็นกิริยาแห่งเซนกะจึงถามว่านั่นท่านอาจารย์ทำอะไรเซนกะตอบว่าแนบันดิต ธรรมดาคนทั้งหลายไปโดยอุโมงต้องเปลื้องผ้าโพกหยักรังไปมโหสดจึงแจ้งว่าแน่อาจารย์เซนกะท่านอย่าสำคัญว่าคนเข้าอุโมงต้องก้มคุกเข่าเข้าไปถ้าท่านใครจะไปด้วยช้างจงขึ้นช้างไปถ้าท่านใครจะไปด้วยมา้าจงขึ้นม้าไปเพราะอุโมงสูงประตูกว้างสูงสงิบแปดศอก ท่านจงประดับตกแต่งตัวตามชอบใจไปกอนพระราชาฝ่ายพระโพธิสัตว์จัดให้เซนนกะไปกอนให้พระราชาเสด็จไปท่ามกลางตนเองไปภายหลังเหตุไรมโหสดจึงจัดอย่างนี้เพราะพระเจ้าวิเทหราชจะได้ไม่ทอดพระเนตรอุโมองค์อันตกแต่งแล้วค่อยๆเสด็จไปข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวเป็นต้นประมาณไม่ได้ มีไว้เพื่อมหาชนในอุโมงค์นเหล่านั้นเคี้ยวดื่มพลางแลชมอุโมงไ์ไปป่ายพระมหาสัตว์ทูลเตือนพระเจ้าวิเทหราชว่าเชิญเสด็จไปเชิญเสด็จไปพระเจ้าข่าตามเสด็จไปเบื้องหลังพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรอุโมงค์ซึ่งเป็นดังเทวสภาอันตกแต่งแล้วพลางเสด็จไป พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าเจนกะเดินไปก่อนมโหสถเดินไปข้างหลังพระเจ้าวิเทหราชเสด็จ ด, ดำเนินไปท่ามกลางพร้อมด้วยอามาทห้อมล้อมเป็นราชบริพารคนหนุ่มผู้รับใช้ของมโหสถเหล่านั้นรู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาจึงนำพระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระเจ้าจุลนี พระนางนันทาเทวีพระมเหสีพระเจ้าจุลนีและพระปัญจาลจันทราชกุมารพระนางปัญจลจันทีราชกุมารีผู้เป็นราชโอรสราชธิดาของพระเจ้าจุลนีออกจากอุโมงค์ให้ประทับอยู่ณนะพลับปลากว้างใหญ่ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชสเสด็จออกจากอุโมงค์กับมโหสถ กษัตริย์ทั้งสี่คือพระนางสลากเทวีพระนางนันทาเทวีปัญจาละจันทกุมารปัญจาละจันทีกุมารีได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถก็ทราบว่าพวกเราตกอยู่ในเงื้อมมือผู้อื่นโดยไม่สงสัยเราคนของมโหสถจับพวกเรามาก็ครั่นครามต่อมรณะภยัยทั้งกลัวทั้งสะดุ้งร้องอึง้ง